เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าชีวิตคือการต่อสูนะ้การต่อสู้ในที่นี้ในคนส่วนใหญ่ก็อาจจะนึกถึงการต่อสู้กับความยากจนต่อสู้กับอุปสรรคที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บเกิดที่จริงแล้วเนี่ยการต่อสู้ที่สำคัญนะมันอยู่ข้างในใจ

หลายคนก็จะรู้สึกได้นะว่าในใจเราเนี่ยมันก็มีการต่อสู้ยื้อแย่งกันระหว่างความดีกับความชั่วระหว่างความฝ่ายสูงกับฝ่ายต่าระหว่างความโลภความอยากกับความเมตตากรุณาใจหนึ่งมันก็อยากจะเอาอยากจะลักขโมยอยากจะ

ชักดาบไม่จ่ายหนี้นะแต่อีกใจหนึ่งมันก็ทักท้วงว่าทำอย่างนั้นไม่ดีไม่ถูกใจหนึ่งอยากเล่นหวยอยากเล่นการพ น, นันแต่อีกใจหนึ่งมันก็บอกว่าทำอย่างงั้นจะทำให้เกิดความเสียหายเกิดความชิดหายกับตัวเองและครอบครัวเป็นต้น น, นเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของทุกคนแม้แต่จะมาปฏิบัติธรรม

ใจนึงก็บอกว่าเอาไว้วันหลังเธอนะหรือว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วมาถึงวันแล้วมันก็ยังมีาการต่อสู้ข้างในว่ากลับบ้านเธอสองสามวันก็พอแล้วนะบางทีก็มีข้ออ้างว่าแม่ไม่สบายลูกป่วยกลับไปดูแม่กลับไปดูลูกก่อนแล้ววันหลังค่อยมาแล้วกันเนี่ยอันนี้มันเป็นการต่อสู้กันระหว่าง

ความดีกับความชั่วระหว่างความติดใจฝ่ายสูงกับฝ่ายต่ำซึ่งเราก็คงจะรับรู้นะหรือว่ามองเห็นอยู่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยพูดอย่างนี้ยังแคบเกินไปนะต้องพูดว่าติดใจเรามันเป็นมันเป็นสอระูมิสมองรภูมงแห่งการต่อสู้ระหว่างความรู้กับความหลงรู้กับหลงเนี่ยมันต่อสู้แย่งชิงกัน

ภายในใจของเราพูดอย่างนี้จะกว้างกว่านะกว้างกว่าความพูดที่ว่ามันเป็นการต่อสู้ระหว่างดีกับชั่วภายในใจเพราะว่าแม้กระทั่งเวลาเราทำความดีอ่ะไอความหลงก็อาจจะมาครอบงาใจได้เป็นครั้งเป็นคราวหรือว่าอยู่บ่อยๆอย่างเรามาสวดมนต์เนี่นะสวดมนต์ก็เป็นการทำความดีนะจะสังเกตไหมสวดมนต์ไปบางครั้งเราก็หลงอ่ะ

เราก็หลงไปลอยไปที่อื่นไม่รู้ตัวเวลาเราไปวัดทำบุญนะไอการทำบุญก็เป็นการทำความดีแต่บางครั้งใจเราก็ลอยหลงไปไม่รู้ตัวความหลงนี่มันสามารถที่จะมาครอบงมใจเราได้แม้กระทั่งในเวลาที่เราทำความดีบางคนก็ทำดีจนติดดี

ไอ้ติดดีนี่ก็เป็นความหลงอย่างหนึ่งนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีความยึดมั่นถือมั่นว่าความยึดมั่นถือมั่นอะไรความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูหรือว่าความหลงชนิดที่ว่าไม่รู้กลายเป็นงมงายไปหลายคนเมาบุญนะทำบุญมากๆจนเมาบุญนะก็คือทำด้วยความงมงาย

ทำโดยไม่ไม่รู้ตัวทุ่มสุดตัวจกนกระทั่งไม่มีเงินเหลือหรือว่าครอบครัวเดือดร้อนเนีอันนี้มันก็น้องๆการเมาเหล้านะกินเหล้าจนไม่เป็นอันทํางานหรือว่าเงินทองที่เก็บไว้ก็หมดครอบครัวก็เดือดร้อนอการทําบุญนะถ้าเราไม่ระวังรักษาใจให้ดีมันก็เมาบุญเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า

แม้กระทั่งในเวลาเราทำความดีเนี่ยมันก็อาจจะมีความหลงมาครอบงำใจเราก็ได้นั้นจึงน่าจะพูดหมายว่าเนี่ยชีวิตเรานี่นเป็นการต่อสู้ระหว่างรู้กับหลงแล้วก็สมรภูมิที่ขับเคี่ยวกันมากก็คือใจของเรานี่แหละความหลงก็พยายามที่จะครอบงำนะหรือว่าแย่งชิงพื้นที่ในจิตใจของเรา

คนเราเนี่ยนะก็มีหลับกับตื่นไอ้หลับเนี่ยหลงอยู่แล้วนะแต่ว่าตื่นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะรู้ตัวไปสมด์นะที่ส่วนใหญ่มันก็หลงนะโดยปกติแล้วเนี่ยเราหลงมากกว่ารู้เขาเคยมีการศึกษาว่าคนคนหนึ่งเวลาทำงานเนี่ยเขามีความรู้ตัวนานเท่าไหร่ก็พบว่าทำงานเจ็ดชั่วโมงครึ่งเนี่ย

ใจรอยไปสักหกชั่วโมงหรือประมาณแปดสิบเปอร์เซนทำงานยังกินแค่ยี่สิเอร์เซน่ะหมายถึงว่าทำงานที่ได้รับมอหมายนะนอกนั้นใจลอยนะใจลอยไปเรื่องอื่นหรือไม่บางทีก็ไปคิดฟุ้งปรุงแต่งบางทีเจอข้อความเมสเจอีเมลเข้าไปใจก็ลอยแล้ะหลุดจากงานแล้วอันนี้เรียกว่าหลงเนี่ยมัน

ย้งจริงเนี่ยจิตใจของเราจงกระทั่งมีพื้นที่ให้กับให้กับความรู้หรือตัวรู้เนี่ยไม่เท่าไหร่รู้ในที่นี้เนี่ยนะก็มีสองอย่างคือรู้ตัวกับรู้ความจริงนะหรือว่ารู้สัจธรรมรู้ตัวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการที่เราจะรู้ความจริงเห็นสัจธรรมแต่ถ้าไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยการที่จะไปรู้ความจริงนะ

จกระทั่งหมดอวิชชาเนี่ยก็ยากแต่ว่าเรารู้ตัวก็รู้ตัวลำบากเพราะว่าให้ความหลงเนี่ยมันก็พยายามแย่งชิงแ ย, ย่งชิงพื้นที่ในจิตใจของเราแย่งชิงพื้นที่ต่างๆในชีวิตของเราถ้าเราปล่อยให้ความตัวหลงเนี่ยมันครอบงำชีวิตของเราเนะชีวิตเราก็หาความสุขความเจริญได้ยากเพราะใจแต่ใจเอาแต่จะคิด

นึกถึงหลงลอยไปกับอดีตไปอยู่กับอดีตบ้างหลงลอยไปอยู่กับอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นบ้างเสร็จแล้วก็จมอยู่ในความทุกข์คนเราทุกครั้งที่เราทุกข์นนะเป็นเพราะเราหลงให้ให้ขีดเส้นต้ตรงนี้เลยนะคนเราเนี่ยทุกครั้งที่ทุกข์ใจเนี่ยเพราะตกอยู่ในความหลงตอนนั้นไม่รู้ตัวหรอกนะตอนนั้นไหลไปอดีตลอยไปอนาคตจมอยู่ในอารมณ์นะไปแบบ

เรื่องราวต่างๆเอาไว้มันผ่านไปแล้วก็ยังแบกเอาไว้คำพูดคำดา่าต่อว่าด่าทอที่คนพูดก็ลืมไปแล้วว่าพูดอะไรไปแต่เราก็ยังแบกเอาไว้แบกเอาเรื่องของลูกเรื่องของญาติพี่น้องนะทั้งๆที่ไม่ใช่เวล่ํ่ำเวลาก็แบกเอาไว้แม้กระทั่งความเจ็บป่วยของพ่อแม่นะเรามาอยู่นี่เราก็ทาอะไรไม่ได้ช่วยอะไรท่านไม่ได้แต่ก็ยังแบกเอาไว้

เวลาจะนอนก็ยังแบกเอาไว้จนนอนไม่หลับแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอสุดท้ายก็ไปดูแลท่านได้ไม่ดีแถมอารมณ์เสียใส่ท่านอีกเพราะว่านอนไม่พอเลยอารมณ์เสียอันนี้ก็เราแบกนะเพราะเราไม่รู้ตัวและท่านทั้งที่ทุกข์เพราะแบกก็ยังแบกอยู่เพราะความไม่รู้นี่แหละถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่นี่มันวางเลยนะอารมณ์ต่างๆเนี่ย

มันคร่อมงำใจเพราะความหลงเนี่ยนะแต่ทันทีที่หลงเนี่ยเปลี่ยนเป็นรู้เนี่ยมันหลุดมันวางเลยมีนักศึกษาคนหนึ่งปีจบเรียนปีสธรรมศาสตร์คณะสังคมปีสุดท้ายเนี่ยหมายหาวิทยาลัยก็ให้ไปฝึกงานปกตินักศึกษาส่วนใหญ่ก็อยากจะไปฝึกงานหรือถูกมอบมาให้ไปฝึกงานกับหน่วยราชการ

แต่ว่านักศึกษาคนนี้เนี่ยอยากจะไปฝึกงานไปทำงานช่วยองค์กรชาวบ้านในภาคอีสานเพราะตัวเองเป็นคนอีสานแต่อาจารย์ที่ปรึกษาก็ไม่ยอมคุยไปคุยมาก็บอกงั้นไปภาคเหนือแล้วกันนะไปช่วยองค์กรที่ทำงานช่วยเหลือชาวเขาทีแรกก็ตกลงตกลงกันว่าจะไปช่วยทำงานกับองค์กรของชาวเขาหรือว่า NGO อที่ทำงานช่วยชาวเขา

พอไปถึงเชียงใหม่เราะ ว, ว่าอาจารย์นะให้ไปจัดแจงให้ไปทํางานกับกรมประชาสงเคราะห์ซึ่งก็ทํางานช่วยชาวเขาเหมือนกันนักสามัญรู้ความจริงมาอไปถึงเชียงใหม่แล้วก็ไม่พอใจนะโมโหมากคืนนั้นก็นอนไม่หลับเลยคุณคิดแต่เรื่องนี้ใจนี่ก็สูญไม่พอใจจะทําทไมตกลงแล้วไม่ทําตามที่ตกลง

วันลุกขึ้นอาจารย์ที่ปรึกษาก็มาเยี่ยมคนละคนกับที่ได้คุยกันอาจารย์ที่ปรึกษามีหลายคนพอนักศึกษ า, าให้อาจารย์ที่ปรึกษาก็ต่อว่าอาจารย์เลยนะต่อว่าอาจารย์ระบายนะใส่อาจารย์แต่อาจารย์ก็ดีนะเป็นผู้ใหญ่นะก็ฟังนะพยายามชี้แจงด้วยเหตุได้ผลนักศึกษ า, าก็ยังก็ยังไม่ไม่พอใจก็ยังต่อว่าระบายความไม่พอใจ

จู่ๆอาจารย์ก็เรียกชื่อขึ้นมาทักนักศึกษาแล้วก็บอกว่าคิ้วเธอตอนนี้เนี่ยนะมันโก่งเป็นลูกธนูเลยนะอ่ะมันโกง่งเป็นรูปเป็นดอกเป็นเป็นโบเลยนะพอที่เห็นช่นนี้นักศึกษานี่รู้ตัวเลยนะว่าโกรธพอรู้ว่าโกรธนะมันหายโกรธเลยความโกรธมันหายไปเลยนะก่อนนั้นๆไม่กี่วินาทียังโกรธอยู่เลยนะแต่พอเป็นนักศึกษาพอเป็นถูกทักว่าเนี่ยคิ้วเธอเนี่มัน

มั น, ม, นมันผูกเป็นโบเลยนะรู้ตัวทันทีว่าโกรธตอนนั้นแหละที่สติเนี่ยมันทำงานแล้วพอสติทำงานนะพอความรู้ตัวเกิดขึ้นนะความโกรธมันหายไปเลยไม่ต้องไปกดข่มความโกรธเพียงแค่รู้ตัวเท่า น, นั้นแหละมันวางทันทีไอตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ตัวตอนนั้นเนี่ยมันหลงมันหลงก็แบกเอาไว้แล้วก็ยิ่งแบกหนักขึ้ น, น, นหนักขึ้นหนักขึ้น

จกระทั่งแสดงออกทางสีหน้าทางร่างกายนะที่จริงไม่ใช่แค่หน้าตาสีหน้าที่โกรธเท่านั้นนะหัวใจก็เต้นเร็วนะลมหายใจก็ถี่สั้นตัวก็ จ, จะเกร่งแต่คนเราไม่รู้หรอกเพราะตอนนั้นมันหลงไงมันลืมตัวแต่พอรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยนะไอ้ความโกรธมันหายไปความทุกข์จางคลายไปเลยเพราะนั้นความ

ตัวรู้เนี่ยมันมีอ น, นิสงส์มากมีพลังมากนะมันสามารถที่จะปลดปล่อยจิตใจให้เป็นศาสตร์ความทุกข์ได้หรือผู้อีิรานก็คือว่ามันทําให้ใจเนี่ยนะปล่อยทําให้ใจวางนะความทุกข์หรืออารมณ์ทั้งหลายไออารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยความโกรธความเศร้าความเสียใจความหงุดหงิดความรู้สึกผิดเนี่ยมันเกิดใครก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยนะนะไม่มีใครชอบเลยนะแต่สังเกตไหม

เรามักจะแบ่งมันเอาไว้แล้วไม่ได้แบ่งเนี่ยเราหวงแหนมันด้วยเราพยายามปกป้องมันด้วยเวลาโกรธเราก็พยายามหาเหตุผลมาเพื่อสับสูญความโกรธแล้วใครจะมาแนะนําว่าให้อภัยเถอะเราก็จะไม่ยอมนแถมจะไม่พอใจคนที่แนะนําอย่างนั้นด้วยเวลาเศร้าเนี่ยเราก็หวงแหนความเศร้ามากใครจะชวนให้ไปไหนไม่ไปจะข อ, อนั่งเจ้าจุกเพื่อได้จมอยู่กับความเศร้า

ไอความรู้สึกผิดเกิดขึ้นกับใครก็พยายามนะเก็บพยายามหวงแหนเอาไว้เอามากรีดแทงตัวเองแทงจิตใจตัวเองโบยตีตัวเองนะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเพราะอะไรนะเพราะหลงนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่เกินเลยกับเรื่องความดีความชั่วไปแล้วนะถ้าคนดีก็จมอยู่ในความทุกข์นะได้บ่อยๆเพราะอะไรเพราะลืมเพราะหลงนะ

ลืมในที่นี้คือลืมตัวนะไม่ใช่ลืมโทรทัศน์โทรศัพท์หรือว่าลืมกระเป๋าเงินไม่ลืมตัวให้ลืมโทรศัพท์ลืมกระเป๋านี่ยังยังเบาวกว่า น, นะกับการลืมตัวเพราะลืมตัวนี่มันสามารถจะทําให้เราเจ็บป่วยนะหรือว่าอาจจะถึงกับทําร้ายตัวเองและความความหลงนี่แหละนะอย่างที่บอกมันก็พยายามที่จะเข้ามาครอบงำํำนะ

ใจิตใจของเราพยายามแย่งชิงพื้นที่ในชีวิตของเราถ้าเรารู้ว่าหลงไม่ดีและรู้เนี่ยนะมันจะช่วยทำให้ใจเป็นสุขเป็นอิสระจากความทุกข์ก็ต้องพยายามพยายามสร้างตัวรู้ให้มากขึ้นพยายามขยายพื้นที่ของตัวรู้ให้มันกระจายออกไปแต่ตัวหลงเนี่ยมันก็พยายามแย่งชิงพื้นที่ในจิตใจของเราให้เราจะสู้กับ

เรจะต้านทานกับตัวหลงได้มันก็ต้องมีพื้นที่นะมีฐานที่มั่นนะเรานึกถึงเวลาทําศึกสงครามเนี่ยฝ่ายหนึ่งมีแสนยานุภาพมากกว่ามีกองกำลังมากกว่าเราจะสู้ได้เรากต้องหาชัยภูมิคนน้อยแต่มีกําลังน้อยแต่ชัยภูมิดีมันก็พอจะสู้ได้ถ้าเป็นศึกสงครามก็ต้องอาศัยอยู่บนที่สูงนะก็จะมองก็จะมองเห็นศัตรูหรือว่าก็จะสามารถต้านทาน

ตัวสายพูนิประเทศที่ได้เปรียบการที่จะให้ชีวิตจิตใจของเราเนี่ยนะเป็นชีวิตจิตใจแห่งความรู้นะทั้งรู้ตัวแล้วก็รู้ความจริงเนี่ยเราก็ต้องมีฐานที่มั่ น, น, นเช่นช่วงเวลาที่เรามาสวดมนต์กันเนี่ยนะช่วงเวลาที่เราสวดมนต์เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการที่จะมาเติมตัวรู้ให้กับจิตใจเติมกุศลธรรมให้จิตใจให้แก่จิตใจของเราก็พยายามใช้นะ

ช่วงเวลาเนี่ยอย่างการมาสวดมนต์ก็ดีหรือการมาฟังธรรมก็ดีเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งความรู้สึกตัวเป็นช่วงเวลาที่เราตื่นนะไม่ใช่ตื่นทางกายอย่างด้ยวยแต่ใจก็ตื่นด้วยถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยอาศัยช่วงเวลาอย่างนี้แหละไม่ปล่อยให้ความหลงเข้ามาครอบงำจิตใจมากเกินไปเวลาง่วงก็พยายามสลัดความง่วงออกไปนะเวลามันลืมตัวคิดไปโน่นคิดไปนี่คิดไปเรื่องงานคิดไปถึงที่บ้านก็กลับมา

ให้ให้ถือว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นฐานที่มั่นของความรู้ตั ว, วถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยนะต่อไปเวลาเราทำกิจกรรมอื่นนะเราก็พยายามให้ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความรู้ตัวเช่นตื่นเช้าขึ้นมาอา้าวล้างหน้าแปรงฟันอา้าวเราก็พยายามทำให้ช่วงเวลาเนี่ยเรามีความรู้ตัวจะมีงานการอะไรรออยู่ข้างหน้านะ

ไม่ว่าจะเป็นทําครัวให้ลูกพาลูกไปโรงเรียนหรือว่างานการงานที่สำนักงานก็วางเอาไว้ก่อนอย่าปล่อยใจให้หลงนะไปกับสิ่งนั้นพยายามขยายพื้นที่แห่งความรู้ตัวให้มันกว้างออกไปเรื่อยๆกว้างออกไปเรื่อยๆนะเริ่มต้นจากการทําวัดสวดมนต์ถ้าอยู่วัดนะถ้าอยู่บ้านก็อาจจะ

ใช้กิจกรรมบางอย่างเช่นการเจริญสติเราตั้งใจว่ากลับไปบ้านเราจะพยายามเจริญสติทำสมาธิวันละอย่างน้อยห้านาทีสิบนาทีก็ให้ช่วงเวลานะั้นเป็นฐานที่มั่นของความรู้ตัวจะไม่ยอมจะไม่อนุ ญ, ญาตให้ความหลงนะมันเข้ามาแย่งชิงพื้นที่แย่งชิงเวลาของเราไปให้เป็นช่วงเวลาของการอยู่กับปัจจุบันใหม่ๆมันก็จะ

ไอ้ตัวหลมก็จะไม่ยอมแล้วก็พยายามที่จะมาแย่งชิงพื้นที่นะพยายามดึงจิตขอ ง, ด, งดึงจิตดึงใจของเราให้ไปอยู่กับอดีตบ้างให้ไปอยู่กับอนาคตบ้างให้ไปจมอยู่ความทุกข์บ้างเราก็ไม่ยอมถ้าเราทําได้เนี่ยในห้านาทีเนี่ยในหน้าทีนั้นเป็นช่วงเวลาที่สักเสร็จเชื่อเป็นช่วงเวลาที่เราจะอยู่กับความรู้สึกตัวนะจะไม่ปล่อยให้ความหลงเข้ามาครอบ ง, งาใจต่อไปโอกาสที่พื้นที่

แห่งความรู้ตัวมันจะขยายไปสู่ช่วงเวลาอื่นก็จะมีมากขึ้นแต่ถ้าเราปล่อยให้ช่วงเวลาอย่างนั้นนะถูกยึดครองด้วยความหลงเนี่ยนะก็แปลว่าเราไม่มีฐานที่มัน่นละไม่มีฐานที่มั่นให้กับความรู้ตัวแล้วก็จะกลายเป็นว่าทั้งวันเนี่ยเราอยู่ออกับความหลงแล้วต่อไปก็ทั้งชีวิตเลยนะก็จะอยู่ออกับความหลงนั้นถ้าหากว่าเรารักตัวนะนะ

รักตัวเองอย่างแท้จริงเนี่ยก็พยายามที่จะให้ความหลงเนี่ยมันเข้าไปนะขยายพื้นที่ขยายพรมแดนในจิตใจของเราขยายพรมแดนเข้าไปในพื้นที่ต่างๆของชีวิตของเราอาบน้าถูฟันต่อไปกินข้าวนะล้วก็มีความรู้สึกตัวนะเวลาทำอะไรเนี่ยก็ขอให้มีความรู้ตัวไว้เมื่อแต่ก็ตามที่เรามีความรู้ตัวเนี่ยไอ

ไอ้ความยึดมั่นในตัวกูของกูเนี่ยมันก็จะคลายลงความรู้สึกยึดมั่นในตัวกูเนี่ยนะมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราหลงทุกครั้งที่เราไม่มีสติจิตมันก็จะหลงและปรุงแต่งตัวกูขึ้นมาเป็นเจ้าของนั่นเป็นเจ้าของนี่เป็นคนทำโน่นทํานี่เวลาเดินถ้าเราไม่รู้ตัวนะก็จะรู้สึกว่าเนี่ยเราเดินฉันเดินเวลากินก็ฉันกิน

เวลามีความกลัวเกิดขึ้นก็ฉันโกรธนะเวลามีความเศร้าเกิดขึ้นก็ฉันเศร้ามันมีตัวฉันเนี่ยเป็นเจ้าของกิจกรรมต่างๆในชีวิตจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาและเราคงทราบแล้วว่าความทุกคนเราเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เกิดเพราะความยึดมั่นในตัวกูของกูเงินใครหายเราก็ไม่ทุกนะแต่ถ้าเงินกูหายเนี่ยทุกเลยใครจะเจ็บจะปวดนะ

ญาติหรือเพื่อนปวดมากเพราะเป็นมะเร็งเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเท่าไหร่แต่เพียงแค่รู้สึกว่ากูปวดฟันเท่านั้นแหละหรือปวดหัวเท่านั้นแหละหวัวเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยหรือว่าแค่ปวดนิ้วนะปวดนิ้วเท้าเนี่ยถ้าสักวกูปวดเมื่อไหรเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีไอ้ความสวตัวโกงกวนมันเป็นที่มาของความทุกข์นะที่เวลาถูกด่าแล้วเราเจ็บเราปวดเนี่ยเพราะรู้สึกว่ากูถูกดา่านะ

เอาตัวกูขึ้นหน้านั้นถ้าเราปล่อยให้ความยึดมั่นในตัวกูเนี่ยมันมันคล่องกับจิตใจเนี่ยจะหาความสุขได้ยากนะจริงอยู่บางช่วงก็เวกูสุขนะกูสบายแต่ว่าประเดี๋ยวเดียวกูกทุกข์อีกลนะแต่ถ้าเราพยายามที่พยายามสร้างความรู้สึกตัวทำแล้วก็ทำอย่างมีสตินะเดินก็เดินอย่างมีสติตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่กูเดินละ

จะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นกายที่เดินนะเวลาโกรธ ถ, ถ้าเรามีสติรู้ตัวเห็นความโกรธเนี่ยมันไม่ใช่เราโกรธละความโกรธไม่ใช่เราอะไรก็ตามที่ถูกเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เราละนะการเจริญสติมันทำให้เราเนี่ยนะคลายจากความยึดมั่นในตัวกูของกู

เดินก็เป็นเราไม่ใช่เราเดินนะมันเป็นรูปที่เดินปวดไม่ใช่เราปวดนะมันเป็นกายที่ปวดหรือว่าปวดเกิดขึ้นที่กายจะเป็นที่มือที่ขาก็แล้วแต่ในการเจรศริตเนี่ยนะจิงสําคัญก็คือว่าการรู้นะและการเห็นนะไม่เข้าไปเป็นความปวดยังมีอยู่แต่ถ้าเราเห็นความปวดแล้วเนี่ยมันไม่มีผู้ปวดเกิดขึ้น

และการเห็นอย่างเนี้พอเห็นกายเห็นใจเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันไม่เพียงแต่ช่วยทําให้ใจสงบลงได้เร็วนะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเมื่อเรารู้เราเห็นเนี่ยมันจะวางได้ไวเห็นความโกรธก็วางความโกรธได้เห็นความเศร้าก็วางความเศร้าได้สิ่งที่ตามมาคือความสงบสงบเพราะรู้นะสงบส่วนใหญ่เรานึกถึงการที่ไม่รู้ใช้วิธีไม่รู้เช่นปิดตาปิดหู

เก็บตัวอยู่ในบ้านปิดโทรศัพท์นะพอไม่รู้ข่าวสารนะพอไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆไม่ได้ยินไม่ได้ฟังใจก็สงบได้ความสงบแบบนี้เนี่ยดีก็จริงแต่ชั่วคราวแต่เราต้องรู้จักสงบเพราะรู้นะสงบเพราะรู้ในที่นี้ไม่ใช่แค่รู้ทางตาทางหูแต่ที่จะมาคือรู้ทางใจก็คือว่าพอมีความโกรธเกิดขึ้นรู้วางพอใจมันฟุง้งคิดไปรู้วาง

มันจะฟุ้งไปทางไหนคิดเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เวลาไม่ใช่ความตั้งใจคิดก็วางเมื่อวางก็เกิดความสงบเป็นความสงบที่เกิดขึ้นท่ามกลางผู้คนท่ามกลางสิ่งวัล้อมแต่ถ้ า, ถ า, ถาทำบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยมันจะไม่ใช่ความสงบเท่านั้นนะแต่มันจะเกิดปัญญาซึ่งเป็นความรู้อีกชนิดหนึ่งนะคือรู้ความจริง

รู้ว่ามันไม่มีเรานะีมันมีแต่กายกับใจมันมีแต่รูป ก, กับนามนะการเจริญสี่ปทานเนี่ยมันตัวเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้คลายความยึดมั่นในตัวกูของกูเพราะเห็นความจริงว่ามันไม่มีกูมันไม่มีเราไม่มีของเรานะเวลาพระเจ้าเนี่ยแสดงธรรมเรื่องสติปัฏฐานสีเนี่ยพระเจ้าก็จะนำแนะนําขั้นตอนว่าเนี่ยให้ดูกายว่า

เป็นกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราให้ดูพิจารณาจนเห็นว่าเวทนาเนี่ยนะมันเป็นเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพิจารณาจิตว่าเป็นจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพิจารณาธรรมว่าเป็นธรรมไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราส่วนใหญ่เวลาเราเจอเราเห็นกายเนี่ยมันก็ไปยึดว่าเป็นเรานะเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นก็ไปยึดว่าเป็นเราอารมณ์ของเราความกรัวของเรา

หรือว่าเราเป็นผู้โกรธอันนี้มันเต็ไมไปด้วยความยึดมั่นสําคัญหมายในตัวเราของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราเจริญสติเห็นอยู่บ่อยๆเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่มีความสงบเพราะรู้ทันต่อไปนะมันจะเกิดความสว่างเพราะมีปัญญาเห็นความจริงเริ่มจากการเห็นของจริงและต่อไปก็จะเห็นความจริงเห็นความจริงว่ามันไม่มีเรานะมันมีแต่รูปกับนามมันมีแต่กายกับใจ

เราก็ฝึกได้จากการที่เรานะเห็นอาการทางกายเกิดขึ้นเช่นความปวดความเมื่อยถ้าเราไม่มีสติไม่รู้ตัวนะเราก็จะหลงเข้าไปในความปวดเป็นผู้ปวดแต่พอเรามีสตินะรู้ตัวขึ้นมามันจะเห็นเลยนะว่าความปวดเนี่ยไม่ใช่เรานะความปวดเกิดขึ้นกับกายกับใจแต่ไม่ใช่เราเห็นได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยขณะที่เราเมื่อยนะเห็นความเมื่อยว่าเออมันเกิดกับกายไม่ใช่เราเมื่อย

แต่ยงนี้ได้พสตินะเพราะตัวรู้นะคือความรู้ตัวและตรงนี้จะทำให้เราเกิดปัญญานะเพราะเห็นความจริงแล้วและมันก็ช่วยทำให้ใจสงบได้แม้ยังมีความปวดอยู่นะหลวงปู่บุดาท่านหลวงปู่บุดาถาวาโรเนี่ ย, อดดาายนะตอนที่ท่านอายุสักแปดสิบนะท่านก็ไปผ่า

เอานิ้วออกนะสมัยนั้นมันไม่มีอุลตราซาวนต้องผ่าเอาผ่าได้พอผ่าจบนะไม่ถึง15นาทีท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรค่อยอยังชั่วละคือท่านจะกลับวันละหมอเพียบบางก็แปลกใจแล้วก็ถามท่านว่าหลวงปู่ไม่เจ็บเหรอคนที่ผ่าน้อยกว่าท่านเนี่ยยังยังอดครวนนะว่าเจ็บหลวงปู่บอกว่าเจ็บสิท่าจะมจะไม่เจ็บนะ

ร่างกายขอฉันก็เหมือนคนอื่นแหละแต่ว่าใจไม่ได้เจ็บด้วยคือกายเจ็บนะแต่ว่าใจไม่ได้เจ็บท่านเห็นว่าความเจ็บเป็นของกายเป็นเรื่องกายแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอเจ็บเนี่ยจะรู้สึกแล้วว่ากูเจ็บนะไม่ได้เห็นว่ากายเจ็บนะรู้สึกว่ากูเจ็บไอ้ความโซกูเจ็บนี่คือความหลงนะพอกูจะแล้วเป็นไง

ใจก็ทุกข์นะอาจจะบน่นโอดโครวญทุรนทุรายนะแต่ถ้าหลุดจากความหลงนะมันก็จะเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่กูเจ็บมันเป็นกายที่เจ็บหรือความเจ็บเกิดขึ้นกับกายนี่เป็นความจริงพื้นฐานนะเป็นความจริงที่เรียกว่าสามัญมากแต่ว่าพราะความหลงเนี่ยนะจึงมองไม่เห็นก็จะคิดแต่ว่ากูเจ็บกูเจ็บตลอดเวลา

แต่ตัวกูมันไม่มีจริงนะมันเป็นสิ่งที่ปลุงต่งขึ้นมาในยามที่ไม่รู้ตัวในยามที่หลงและเพราะว่าไม่มีปัญญาด้วยนะพอรู้ตัวหรือพอรู้ความจริงนะว่ามันไม่มีกูเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าโอ้มันเป็นแค่กายที่เจ็บตรงนี้แหละที่ใจเนี่ยมันจะไม่เจ็บด้วยนะเพราะฉะนั้นใจก็ยังสงบได้แม้ยังมีโลแม้ยังมีความเจ็บความปวดเกิดขึ้นนะแม้จะ

ไม่สบายนะหรือแม้แต่จะมีเสียงดังใจก็ยังสงบนะอย่างที่ผู้ไว้เมื่อวานนะเจออะไรไม่สั่นทางไม่สั่นวันตว่าใจเราเป็นอย่างไรเจอความปวดนะแต่ถ้าใจมีสติมีปัญญานะก็สงบได้ก็เป็นปกติได้หรือเป็นสุขอยู่ได้คนเราเนี่ยจะหนีความเจอความปวดเนี่ยมันหนีได้ไม่ตลอดหรอกแนะ้สุขก็ต้องเจอ

แต่เจอก็ไม่หวั่นนะพอใจเนี่ยฝึกไว้ดีแล้วพอใจฝึกให้มีความรู้ตัวอยู่บ่อยๆกิจกรรมต่างๆในชีวิตในแต่ละวันแต่ะวันก็ทําด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเมื่อรู้ตัวไปเรื่อยๆเนี่ยไม่สักวันหนึ่งในที่สุดก็จะรู้ความจริงนะรู้ความจริงว่ามันไม่มีตัวเรา

ที่รในขที่รู้ตัวเนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่เกิดขึ้นแล้วนะทุกครั้งที่มีความรู้ตัวเนี่ยไอ้ตัวกูเนี่ยไม่ปรากฏเพราะตอนนั้นเนี่ยมันไม่หลงละไอ้ตัวกูเกิดขึ้นเพราะหลงแต่เมื่อรู้ตัวแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีตัวกูก็แปลกนะพอรู้ตัวปุ๊บเนี่ยตัวกูไม่เกิดแต่พอไม่รู้ตัวเนี่ยตัวกูเกิดนะแล้วเมื่อรู้ตัวบ่อยๆเนี่ยนะมันจะเห็นความจริง

ของกายและใจและความจริงของกายและใจก็จะบอกให้รู้แท้จริงแล้วมันไม่มีตัวกูให้ตัวกูของกูเป็นความหลงนะที่พื้นฐานมากที่ลึกซึ้งมากเมื่อเห็นเช่นนี้เนี่ยนะมันก็มันก็วางไม่มีตัวกูของกูความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้ยากนะมันก็มีแต่ความทุกข์กายนะแต่ว่าไม่ทุกข์ใจอย่างที่บอกไว้แล้วเวลาคนเราเนี่ยถึงที่สุดแล้วทุกข์ใจเพราะมันมีความยึดมั่นสําคัญหมาย

นะในตัวกูของกูเพราะยังหลงอยู่เพราะไม่เห็นความจริงนะเพราะไม่รู้ความจริงดังั้นการปฏิบัติถึงที่สุดเนี่ยนะมันไม่ใช่เพื่อให้เรารู้ตัวเท่านั้นนะแต่มันยังนำไปสู่การรู้ความจริงทำให้เป็นอิสรนะจากความยึดมั่นในตัวกูของกูซึ่งก็คือเป็นอิสระจากความทุกข์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจึงบอกว่านะพยายามทาให

ตัวรู้เนี่ยมันเอาชนะความหลงให้ได้ให้การใช้ชีวของเราเนี่ยเป็นการสร้างตัวรู้และขยายตัวรู้ขึ้นไปในชีวิตของเราในจิตใจของเราขยายไปสู่ทุกพื้นที่ของชีวิตทุกกิจกรรมนะไม่ใช่เฉพาะเวลาสวดมนต์ไม่ใช่เไม่ใช่เฉพาะเวลาเจริญสตินะแต่ในเวลาอาบน้ำถูฟันล้างหน้าเวลาทำงานขับรถ

ขึ้นบันไดนเวลาล้างจานนะให้พรมแดนแห่งของตัวรู้มันขยายไปจนกระทั่งตัวหลงไม่มีที่ไม่มีที่มั่นหรือไม่มีที่ตั้งนะซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าก็จ ะ, ะเป็นศาสตร์จากความทีย่ยางสิ้นเชิงแต่ถึงแม้เราจะยังไม่สามารถเป็นศาสตร์จากความทีย่ยางสิ้นเชิงได้แต่ว่าก็ให้มันลดน้อยเบาบางนะด้วยการที่

เห็นความจริงรู้ความจริงแล้วก็พอสมควรแก่เวลาละอ่ะเพาะไม่อยาก็เตรียมลาศี